สำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังพอจะทาการได้กับมาตุคามผู้เดียวอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปา ร, ราชิกก็ดีด้วยสังฆาทิเศษก็ดีด้วยปาจิตติก็ดีภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่งพงถูกปรับด้วยธรรมสามประการ คือด้วยปราชิกบ้างด้วยสังฆาทิเศษบ้างด้วยปาจิตตีบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นเปล่าด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นนี้ธรรมชื่ออนิยตตะความแห่งสิกขาบทนี้มัวมากจึงเข้าใจยากทีเดียวพระคันธารจนนาจารย์ ก็หาแก้ไว้ชัดเจนไม่เป็นแต่แก้กล่าวด้วยใจความว่าอุบาสิกาพูดชี้วัตถุอย่างนี้หรืออย่างนั้นก็ตามให้ฟังเอาตามคําปฏิญญาของภิกษุเป็นใหญ่เพราะบางทีความเห็นนั้นอาจจะคลายเคลื่อนไปได้จริงอยู่แม้คนมีวาจาที่เชื่อได้มาบอกว่าได้เห็นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่ได้ตั้งใจจะใส่ความเลยแต่เขาอาจจะสาคัญตัวผิดก็ได้ และยังไม่พิจารณาไตา่ทางภิกษุก่อนจะปรับโทษตามเขาพูดทีเดียวอย่างมีผู้มาฟ้องลูกมารดาตีให้ทีเดียวไม่ต้องชำระดังนี้ไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าหมายความอย่างนั้นคุณบทของอุบาสิกาว่ามีวาจาที่เชื่อถือได้นั้นก็หาประโยชน์ไม่ได้เพราะจะเอาตามปฏิญญาของภิกษุเป็นใหญ่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 ภิกษุปฏิญญาซึ่งการนั่งพึงถูกปรับด้วยธรรมสองประการคือด้วยสังฆาทิเศษบ้างด้วยปาจิตติบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นแม้ธรรมนี้ก็ชื่ออเนยตะที่รับมีสองชนิด ที่มีวัตถุ ก, กำบังลายเห็นไม่ได้พอจะเสพเมทุนได้หรือเรียกสั้นว่าที่รับตาดังในสิกขาบทก่อนหนึ่งที่แจ้งแต่หากพอจะพูดเกี่ยวมาตุกคามได้หรือเรียกสั้นว่าที่รับหูดังในสิกขาบทนี้หนึ่งอิริยาบทนอนท่านจัดเป็นประโยคแห่งอาบัต ส่วนอิริยาบทยืนเป็นประโยคแห่งอนาบัตินอกจากนี้พึงรู้โดยอธิบายดังกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนอีนนิยตาสิกขาบทเหล่านี้ควรถือเป็นแบบสำหรับอธิกรอันเกิดขึ้นถ้ามีผู้กล่าวหาภิกษุและข้อความที่กล่าวหานั้นถ้าเป็นจริงมีโทษเดชฐานละเมิดพระบัญญัติอันให้ต้องอาบัตินั้นๆเช่นนี้ ควรพิจารณาถ้าไม่ถึงเป็นอาบัตไม่ควรพิจารณาอาธิก่อนนั้นที่พิจารณาอยู่ถ้าไม่มีผู้อื่นเป็นพยานเป็นการตัวต่อตั ว, ตวควรฟังเอาปัตติ ญ, ญาของภิกษุถ้ามีพยานอื่นเป็นหลักฐานโดยทางพิจารณาถือว่าฟังได้แม้จำเลยปฏิเสธก็ปรับอาบัตได้